อยากให้ถามฉันสักคำที่ฉันทำไปเพราะอะไรอยากให้ถามฉันอีกคำทำไมถึงทำแบบนี้ถามฉันสักคำทำไมเป็นคนไม่ดีทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นทำเพราะอะไรจะขอตอเธอด้วย้ว